ป่วยค่ะป่วยหลงตาคือการรู้เพื่อที่จะพยายามมีสติอ่ะค่ะมันรู้สึกว่ามันต่างกับสักแต่ว่ารู้อะค่ะหลงตาคืออย่างบางครั้งเนี้ยพอรู้สึกว่าพอไม่มีสตินุพยายามจะรู้แต่มันเหมือนรู้ที่มันเหมือนกับว่าตัวเราก็รู้ว่าเราพยายามจะไปรู้อย่างเงี้ยค่ะอืมแต่พอถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าสติมันก็จะหลุดเลยไม่ทราบว่าทํายังไงถึงจะสักแต่ว่ารู้ได้แต่ว่าไม่ได้พยายามกับมัน เราก็ต้องพยายามจะรู้แน่แนะไม่เด็ดทิง้งไปนะทิ้งสติไม่ได้นะเพสติเนี่ยสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธินีปัญญามีทำมีก็ไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นท่านธิพานสติไม่ได้หายนะจะเป็นมหาสติ เราก็พยายามที่จะรู้นั่นแน่สติหายไม่ได้สติต้องสติคือตัวอะไรคือตัวอ่านใจตัวเองอ่ะให้ขาดทุกขณะปัจจุบันว่ายังมีผู้จะเอาหรือเปล่าที่เราพูดกันินไอ้ตัวอ่านใจอ่านใจไอ้เครื่องอ่านตัวเนี้คือสติ น, นั่ะสติแล้วถ้าอ่านใจตัวเองขาดเนี่ยจะเป็นมหาสติตลอดเวลาเลยนิพพานเลยเพราะฉั้นสติเนี่ยขาดไม่ได้สติตัวเนี้ยเราต้องยืมมาใช้สติสมาธิปัญญามันเป็นสังขารในขันห้า ซึ่งเราจะต้องไปวางแต่พุทธเจ้าอนุญาตให้เอามาใช้คือสติสมา ธ, ธิปัญญาเนี่ยเอามาใช้เป็นเรือข้ามฟากไปสู่ความปล่อยวางไปสู่ความเพ้นทุกข์หรือเรือข้ามฟากไปฝั่งฟนิพานเป็นเรือข้ามฟากเราทิ้งสติไม่ได้ถ้าทิ้งสติข้ามฟากไม่ได้แต่เมื่อเราข้ามฟากไปพ้นแล้วเนี่ยสติไอ้ตัวที่ คอยมาสังเกตคอยรู้คอยอ่านใจว่ามันยังมีความอยากหรือเปล่ายังมีตัวเราจะไปเอาหรือเปล่าเนี่ยมันก็หายไปเพราะว่ามันที่ตัวเราจะไปเอาแล้วไอ้ตัวอ่านมันก็เลยเครื่องอ่านมันก็เลยหายไปไอ้เครื่องอ่านเนี่ยมันอ่านเพื่อให้ให้เห็นว่าเรายังมีตัวจะไปเอาหรือเปล่ามีตัวเราจะไปเอาไปเอาไปเอาอะไรหรือเปล่าเไลาปฏิบัติทําก็จะไปเอาเอาอนุ่นหวังไอ้นนี้หวังอ้นั้นอยากอ้นั้นอยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้จิตสงบอยากได้จิตดีอยากได้จิตนิ่งจิตเฉย อยากได้จิตไม่ปรุงแต่งอยากได้ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างๆมาอยากได้ใจทุบๆแน่นๆอยากให้เป็นอย่างวุ่นอยากให้เป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อะไรมั่วตัวไปหมดเลยเนี่ยยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่าไอ้ตัวตติเป็นตัวเครือบอ่านอ่านใจเราตลอดเวลานี่เนี่ไอ้ตัวตติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเครือบอ่านมันต้องอ่านเราจะตลอดเวลาจนกระทั่งเออความอยากความมีผู้จะเอาอะไรเนี่ยอยากไม่อยากอะไรเนี่ยมันหายไปหายไปหายไปมันอยากอะไรโผล่ขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวนิดเดียวเห็นหมดไเห็นหมดงมจกทัีแล้ว ไอตัวผู้อยากไม่มีแล้อยากแล้วไม่อยากตัวผู้จะเอาอะไรมันไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วใจมันก็ว่างเปล่าแล้วก็ไอขหน้ากันยังไม่ตายก็ทํางานไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปรองรับมันใจมันก็รู้ว่าตัวมันเองก็ว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่ามันก็รู้ว่าขหน้ายังทํางานอยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มาใช้ประโยชน์ไปจู่กว่าจะตายไอตัวสติสมาธิปัญญามันหายไปมันเหลือแต่ใจที่มันรู้ซะแล้วมันเป็นใจที่มันรู้พ้นรู้ไม่ยึดรู้ไม่ติดอะไรรู้ที่ไม่มี ผู้หวังผู้ปรารถนาผู้จะไปเอาอะไรไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยากหรือความไม่อยากบนแต่แต่ใช่อะไรก็ใช้งานไปเลยใช้ไปใช้ไปเกิดประโยชน์ส่วนประโยชน์ท่านไอตัวสติธมาทีปัญญามันก็เลือนหายไปจัไม่เลือนหายไปไหนหรอกมเป็นใจมัเป็นใจผู้รู้แจ้งใจผู้รู้พ้นใจผู้สิ้นยึดใจผู้ไม่มีอะไรเพระนั่นแหะไอตัวสติมันต้องใช้ใช้อ่านใจตนเองจนกระทั่งใจสิ้นผู้ยึดสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเป็นอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากอยากเป็นอยากนั่นอย่างนี้อย่างนี้ มันไม่เป็นอย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างน<ๆ>ั้นอยากให้เป็นอย่างงี้ที่แย่ไปหมดเลยอย่างเนี้ยอ่านใจตัวเองให้ขาดสติ ต, ต, ต, ต, ต, ต่อไปเครื่องอ่านนะทิ้งไม่ได้นะเข้าใจไหมก็คือถ้าพยายามก็คือไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรมชาติใช่อืมก็พยายามอยู่ี้ก็ต้องพยายาม ม, มีสติอยู่ น, นั่นแหละพยายามมีอยู่ต้ออยู่แต่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นยึดสตินี่เพราะเรารู้ว่าสตินี่เป็ น, นเครื่องมือที่เรามาใช้อ่านใจตนเองเราจะไปยึดทำไมอ่ะยึดในเครื่องอ่านทำไมเข้าใจไหมเราพยายามแต่เราก็รู้อยู่ คำว่าปล่อยวางผู้รู้มันจะไปปล่อยวางสตินั้นคนละตัวกันตามที่ที่น้องผู้ดูนัตตโลที่หรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกปล่อยวางผู้รู้หรือผู้อผู้ ด, ดูนัตุโลว่าพบผู้รู้ให้ข้าผู้รู้เนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะกับเป็นตัวสติตตที่อ่านใจเราเนี่ยมันคนละตัวกันคนเราเนี่ยวางมั่วเลยไม่เข้าใจเราสร็แล้วลว่าอาจารย์หนูนวางหมดแล้วมาเจอหน้าวางอะไรก็หนูนไม่รู้อะไรเลยหนูวางหมดแล้ว วางหมดแล้วไม่รู้อะไรมันเละที่วางไม่แต่เครื่องอ่านนี่เราก็หมดเอาวที่เครื่องอ่านเนี่ยมันไม่ใช่ไปวางเครื่องอ่านหมดแล้วนก็อาจารย์บอกให้วางหมดเลยวางผู้รู้หนูก็เลยไม่รู้อะไรเลยอยู่อย่างไม่รู้อะไรเลยเละเทะหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ใจตัวเองเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเอาอาจารย์บอกว่าให้พบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้หรือว่าวางผู้รู้หมดแล้วมันก็เลยวางหมดเลยหนูเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่นะคือไอ้เครื่องอ่านเนี่ยมันยังมีอยู่แต่คําว่าผู้รู้เขาผู้รู้ฆ่าผู้รู้ก็ไม่ถือว่าไอ้ตัวเนี้ยวิญญาณขันไอวิญญาณขันนเี่ยขันเนี่ย เราก็ไปรู้แต่อาการอาการอาการอาการในใจเราแต่นั้นเนี่ยมันสูงสุดมานแค่เวทนาสัญญาสังขารหรือรูปที่เป็นนิมิตมาปรากฏในใจก็เรียกว่ากายเป็นรูปนิมิตแล้วก็เวทนา เ, เวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารคือความคิดหรืออาการของใจทุกชนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ในใจแต่ไอผู้รู้เนี่ยมันคือวิญญาณสังขารดังนั้นเวลามารู้เนี่ยมันรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะต้องส่งต่อ เวทนาสัญญาทังขานขาห้ามต้องทํางานร่วมกันเรียกว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาทั้งขานทั้งทั้งรู้ทั้งทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์เป็นทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์ทั้งเหมือนภาพอยู่ในใจไม่ว่าจะรู้อะไรทั้งตาหูจมูกนิ้งใจใจทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งวิเคราะห์ทั้งภาพในใจว่าอะไรเป็นอะไรคนนี้เป็นใครเป็นยังไงยังไงมันก็จะภาพอยู่ในใจนั่นแหละเนี่ยภาพหรือว่าตึกตองหรือว่าหรือวิพาากรรออะ่่นนนัเเเืงปปตี้็ เป็นวิญญาณอาครรู้ทั้งตารู้ทั้งหูรู้ทั้งจมูกรู้ทั้งลิ้นรู้ท ộ, ั้ท ง, Robin, ทงกาย padding, แล้วก็รู้ทั้งใจรู้อาการของใจพอรู้เสร็จแล้วมันก็บ่นมันถูกใจมันไม่ถูกใจมันก็วุงิงวุ่ฟังบอตามองเห็นลงตาหูก็ยินเสียงลงตาก็พูดแข่งกันในใจนะมันก็พูด <|hi|> อย่างนุ่นอย่างนี้มีเคราะอย่างนั้นาะวิจารอย่างนั้นอย่างนี้อย่างาง acio, ี้ก็เ <legisl> ล <atures> ยปกติไอ้ตัวเนี้ยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นวิญญาณขาคารทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาส ไอ้วิญญาณขันเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันไม่มีรูปร่างให้มองเห็นแต่เพราะมันไปทํางานร่วมกับเจตสิกมันเลยเราสามารถสามารถรู้มันได้ว่ารู้วิญญาณขันตรงไหนตรงที่มันรู้อะไรแล้วมันพูดมันมันพูดมันวิจารเนี่ยเพราะอะไรอันนั้นอ่ะวิญญาณขันเนี่ยมันทํางานร่วมกับเจตสิกจิตวิญญาณขันมันทำงานร่วมกับเจตสิกคือเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตในเจตสิกเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตมันก็เลย ไปดูตรงไอ้ตัวเรานีา่เนี่ยวิจาณขันจะรู้สึกตรงไหนก็รู้สึกที่ตัวเราเป็นคนรู้เวลาเราเห็นรูปใครเป็นคนเห็นรูปตัวเราเป็นคนเห็นรูปพอได้ยินเสียงใครเป็นคนได้ยินเสียงตัวเราได้ยินเสียงพอได้กลิ่นใครเป็นคนได้กลิ่นล่ะแต่เรา ก, ก็ได้กลิ่นดิพอเรากินอาหารรู้รสอาหารใครคเป็นคนรู้รสก็เรารู้รสไงใครมีสัมผัสต่างกายใครรู้สัมผัสต่างกายก็เราเป็นคนรู้สัมผัสทางกายเนี่ยแอร์มาโดนตัวเราเย็นเนี่ยใครก็รู้ว่าเย็นแต่เราเป็นคนรู้ เรารู้แล้วเราบ่นยังไงพูดว่าอย่างไงแล้วถูกใจไม่ถูกใจอย่างไงนั่นก็เป็นเวทนาแล้วเราเราบ่นยังไงเราพูดยังไงเราวิเคราะห์ยังไงแล้วเราจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไงอันนั้นเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขานคือมันทํางานร่วมกันกับเจตสิกลายวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราตัวใหม่ตัวเก่าดับไปตัวใหม่ก็ตัวเรารู้อีกตัวเรารู้อาการของใจตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวเรารู้เรื่อยไปอย่างเงี้ยรผู้รู้เป็นเราเนี่ยคือเนี่ยตัวนี้คือวิญญาณขานทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาตัาร้งขาเย่าออองนี้ ไอ้ตัวเราที่พูดได้หมดได้วิเคราะห์วิจัยวิจัยได้ที่ถูกใจอะไรได้ไปถูกใจตัวเนี้ระวังมันไปให้หมดเลยถ้าระวังไอ้ตัวนี้ได้หมดเท่ากับระวังวิญญาณขันวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารไปเลยพร้อมกันวางทั้งผู้รู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยวางทั้งวิญญาณขันและวางทั้งเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารวางไปหมดเลยเมื่อวางหมดวางทั้งรูปวางทั้งเวทนาวางทั้งสัญญาวางทั้งขานวางทั้งวิญญาณคือตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แล้วตัวเราก็วิเคราะห์วิจัยวิจัยวิพ วิจารถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็วิพากวิจารณ์นั้นก็เลื่อยไปเนี่ยสารพัจดจนกว่าเราจะตายแต่เราปล่อยวางมันหมดน่ยทั้งไออาการที่ถูกรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็วางทั้งผู้รู้ที่วิเคราะห์วิจารณวิจัยได้ถ้ามีถ้ามีอารมณ์ต้องมีความรู้สึกละวางมันหมดปล่อยวางมันหมดไปวางมันหมดแต่ก็มันก็รู้อยู่เพราะเป็นวิญญาณขันจะห้าไม่ให้รู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิญญาณขันเกิดมายังไม่ตายขันห้าคือวิญญาณขันมีหน้าที่ต้องทําหน้าที่รู้ต้องตาทั้งหูต้องจกตตตงงงลิ น, ลน า, ายาใจ นั้นจะบอกว่าให้ไม่รู้ไม่รู้เราบอกวางวางผู้รู้หมดเลยวางได้ยังไงก็คือมันเป็นวิญญาณขันมันก็ต้องรู้แต่ไม่ไปยึดมันไม่ไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่ไปยึดทั้งผู้รู้ที่วิเคราะห์วิดจารวิจัยได้คือตัวเราไม่ไปยึดตัวเราผู้รู้เลยปล่อยวางตัวเราคือปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้และปล่อยวางตัวเราผู้รู้เพราะปล่อยวางตัวเราผู้รู้ก็นิพพานเลยพ้นจากขันทั้งห้าดังนั้นพระพิธามเข้าจึงสอนมีอยู่สี่อย่างคือรู้จิต เจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณวิญญาณวิญญาณขันธ์แล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารสามตัวสรุปแล้วคือรูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์ห้าเลเองขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าแบบนี้แต่เจตสิกเนี่ยมาทํางานพร้อมจิตหรือวิญญา ณ, ณขันธ์เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิต เราก็เลยรู้ได้ว่าอ่าอย่างนี้วิ ญ, ญญาณก็มาเกิดตรงใ้ตัวที่มันตัวเราที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวภาคเนี่ยมันรู้อะไรตัวเราไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปสัมผัสอะไรตัวเรามันก็จะวิเคราะห์วิจารณวิจัยแล้วมันก็ภาคแล้วมันพูดอยู่ในใจยอยู่คนเดียวเนี่ยเราเลยวางมั้งตัวผู้รู้แล้วางทั้งสิ่งที่ถูกรู้พอวางบึ้มไปพร้อมกันเนี่ยวางไม่ใช่ว่าวางคือไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่นะก็คือมันอยากจะรู้กันเองครมันเป็นวิ ญ, ญญาณอคติเนี่ยมันทํางานอยู่ยังไม่ตายแต่ไม่มีใครไปยึดตั้งวิญญาณ อยากรู้ก็รู้ไปอยากปรุงก็ปรุงไปอยากรู้ก็บ่นไปอยากรู้ก็พูดไปอยากวิเคราะห์วิจารวิจัยก็พูดไปปล่อยันเพราะว่ามันยิ่งรู้มากยิ่งสะเกตดกระจายยิ่งวิเคราะห์มากมันยิ่งฉลาดเหนือใครมันก็แต่ฉลาดเพื่อไม่ไปเอาอะไรก็เพื่อให้รู้ให้เห็นให้ฉลาดอย่างนี้แหละพอไรมันต้องอาศัยวิจาณฐานเป็นตัวปรุงแต่งแต่ไม่มีใครยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เมื่อสิ้นยึดตั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้มันก็เท่ากับว่าสิ้นยึดขันห้าคือสิ้นอุปทานขันห้าก็เลยเป็นนนนิิพพาาคือเรียกว่จตหลุด้ มันก็เลยมีจิตอีกตัวหนึ่งนอกจากจิตที่เป็นจิตที่เป็นวิญญาณขันคือจิตหลุดพ้นก็คือนิพพานคือจิตที่พ้นจากทุกข์ดังนั้นเนี่ยพระพิธรรมก็คืรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยมีสอย่างเนี่ยรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันค์เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตพอรู้อะไรปุ๊บก็จะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารอก็คือตัวเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้แล้วก็ นิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานคือจิตที่พ้นจากทุกจิตที่มายึดอะไรจิตยึดเนี่ยอันนี้คือคือนิพพานคือจิตที่พ้นจากยึดเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตหลุดพ้นนิพพานคือจิตหลุดพ้นมันก็เลยมีจิตสองจิตคือจิตเนี่ยที่เป็นวิญญาณขันรูปจิตเจตสิกจิตอันนี้คือวิญญาณขันแล้วก็จิตที่หลุดพ้นคือนิพพาน อย่างนี้คือแนวทางปฏิบัติก็คือเหมือนกับให้รู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมคะหลวงตาเออรู้ปัจจุบันแล้วก็มันไม่มีใครไปยึดอะไรอ่านใจตัวเองให้ขาดรู้ปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันในใจอ่ะแล้วก็มีเครื่องอ่านตลอดเวลาคือสตินั่นแหละอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าจะมีตัวยึดหรือเปล่าวะจะมีตัวคาดหวังตัวมีจะเอาอะไรแม่เนี่ยคือตัวยึดเราจะเอาอะไรเปล่าล่ะจะเอาอะไรก็เปล่าจะอยากได้แล้วอย่าเป็นให้เป็นอะไรก็เปล่าล่ะเออถ้าไม่มีก็จบแล้วเพราะว่าที่สิ้นกิเลสที่สิ้นตัณหาก็จบหมดแล้วไม่ สิ้นความทุกข์แล้วสิ้นการเรียนรายใจเกิดสิ้นตัวเดียวสิ้นตัณหาแต่จะสิ้นตัณหาได้ก็คือสิ้นสิ้นเอาวิชานั่นแหละอสิ้นอาวิชาคือเอมีตัวเราจะไปเอาตัวเราจะไปเอาอตัวเราจะไปเอาอะไรสิ้นตัวเราจะไปเอาจะไปได้จะไปเป็นอะไรก็แล้วก็สิ้นเอาวิชาพอสิ้นไม่มีตัวเราก็ไม่เป็นมีเครื่อง่านอย่าทิ้งเครื่อง่านนะสติอา้าใจไหมเดียวกับปัจจุบันต่านใจขาด